คุณโยมบอกว่าทุกอย่างต้องเสื่อมไปสำเบสังคาราอนิจารสงขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมด า, ส, า, ดขขาสังขาร์ดุขาสังคาราดุขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยง ทุกเวลาที่จากกันจากเราไปทําให้เราทุกข์ของต่างๆเขาไม่ทุกข์หรอกคนที่ทุกข์ก็คือเราที่เราไปยึดไปติดกับของต่างๆของต่างๆนี้เป็นสังขารเป็นของปรุงแต่งเป็นของที่ผสมผสานจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟดินน้ําลมไฟเป็น เป็นไม่ใช่เป็นสังขารเรียกว่าเป็นธาตุดินนี่ไม่ได้เป็นตัวไม่ได้ผสมกับอะไรดินนี่เป็นดินน้วนๆน้ำก็เป็นน้ำล้วนๆ ล, ลมก็เป็ น, นลมลวนๆไฟก็เป็นไฟล้วนๆแต่ร่างกายของเราเนี่ยเป็นการผสมของดินน้ำลมไฟการผสมกันของดินน้ำลมไฟเ ร, เรียกว่าสังขาร สังขารคือของที่เกิดจากการปรุงแต่งผสมประสานของธาตุทั้งสี่ดินน้ํำลมไฟแล้วก็มีเราที่เป็นธาตรู้ธาตรู้นี้ก็ธาตรู้ล้วนๆธาตรู้นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาผสมก็มารวมกันเลยทําให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ขึ้นมาถ้าไม่มีธาตรู้มาร่วมด้วยก็จะเป็นพวกต้นไม้ ใบหญ้าพืชพันธุ์ต่างๆพวกต้นไม้นี้เขาก็มีธาตุสี่เหมือนร่างกายเราทํามาจากธาตุสี่เหมือนกันต้นไม้ขึ้นมาจากดินใช่ไหมต้องมีน้ําฝนตกอต้อนไม้ถึงจะงอกขึ้นมาได้ต้องมีลมคืออากาศอแล้วก็ต้องมีความร้อนถ้า ถ้าไม่มีความร้อนเช่นไปอยู่ท้าที่ขั้วโลกเหนือนี่มันก็ต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้เพราะขาดความร้อนไม่มีอุณหภูมิที่จะทำให้มันเจริญเติบโตได้เม็ดินเม่น้ำเมีลมแต่ไม่มีไฟหรือถ้าไปอยู่ที่ทะเลทรายมันก็เมีดินมีลมมีไฟแต่ไม่มีน้ำต้นไม้ในทะเลทรายถึงไม่ขึ้น จะเว้นตามที่ตามจุดที่มีน้ำก็จะมีต้นไม้ขึ้นมานี่คือธาตุทั้งสี่ที่มาทำให้เป็นสิ่งต่างๆในโลกนี้เราเรียกสิ่งต่างๆนี้ว่าเป็นสังขารเป็นของปรุงแต่งปรุงแต่งด้วยดินน้ำลมไฟแล้วก็ด้วยใจถ้ามีใจคือถ้ารู้มาร่วมด้วยก็จะเป็น สิ่งที่วิ่งไปวิ่งมาได้เช่นร่างกายเช่นคนหรือสัตว์เดรัจฉานนี่เขาเคลื่อนไหวได้เขาวิ่งไปวิ่งมาเขามีความรู้สึกนึกคิดด้วย mm hmm. ก็ยังเป็นสังขารเหมือนกัน mm hmm. พราะร่างกายนี้ก็ยังเป็นของที่รวมผสมจากการผสมของดินน้ำลมไฟมา mm hmm. เมื่อมีการผสมกันมันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีการแยกกัน เพราะว่าถ้าทั้งสีนี้เขาจะไม่ชอบอยู่ด้วยกันไปตลอดเขาจะพยายามแยกตัวเขาออกไปสู่ธาตุเดิมไปรวมดินเขาอยากจะกลับไปอยู่กับดินลมอยากจะกลับไปอยู่กับลมน้ำกลับไปสู่น้าไฟกลับไปสู่ไฟเมื่อเกิดการแยกตัวขึ้นมาก็เกิดการเสื่อมของร่างกายเสื่อมของต้นไม้ใบหญ้าต่างๆ จึงมีการเจริญและมีการเสื่อมเวลาที่กำลังที่รวมธาตุทั้งสีนี้มีมากกว่ามันก็เกิดจเจริญเติบโตขึ้นมาแต่ถ้ากำลังที่จะแยกของธาตุสีนี้มีมากกว่ามันก็จะเสื่อมมันก็จะแยกตัวกันไปต้นไม้ออกไปมันก็จะล้มลงไปแล้วมันก็จะผุพังไป กลับไปเป็นดินไปส่วนน้ำมันก็กลับไปสู่ส่วนของน้ำนี่คือเรื่องของสังขารมันไม่เที่ยงมันไม่เหมือนเดิมมันมีการเจริญแล้วก็มีการเสือ่อมเช่นต้นไม้นี่ตอนต้นมันก็โผล่มาจากดินเป็นเป็นต้นเล็กๆแล้วพอได้น้ำได้ดินได้ลมได้ไฟ อย่างต่อเ น, นื่องมันก็จเจริญต่อโตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเมื่อมันจเจริญติบโตเต็มที่มันมีขีดจำกัดที่มันไม่สามารถจเจริญไปได้ก่อนนั้นมันก็จะเริ่มนับถอยหลังแล้วค่อยๆเสือเส่อมลงเสื่อมลงค่อยๆแก่ลงแก่ลงแล้วเดี๋ยวในี่สุดมันก็เราต้องบุบสลายไป ท่านเห็นหอับเบสังคาราอนิจจาของที่เกิดจากการปรุงแต่งนี่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเป็นของชั่วขราวมารวมตัวกันแล้วก็ต้องแยกกัน mm hmm. เช่นร่างกายของพวกเราก็เป็นอย่างนี้ดูร่างกายของลูกเราสมัยที่เราเป็น อายุเท่าเขาเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนเขาเขาก็ต้องดูเราว่าต่อไปเขาอายุเท่าเราเขาก็จะเป็นอย่างเราอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเกิดปัญญาขึ้นมาคือรู้จักคิดปัญญาเกิดจากการมองเห็นความเป็นจริงของสังขารว่ามันเปลี่ยนไป มันมีเจริญมีเสื่อมตอนที่เราเป็นสมัยที่เราเป็นอายุเท่าลูกเรานี้เรากําลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตทุกอย่างก็แข็งแรงแข็งแก่งมีพลังมีกําลังมังชาแต่พวกเรานี้ตามภาษาฝรั่งก็เรียกว่าโอเวอร์เดอะฮิลข้ามยอดเขามาแล้วถึงยอดเขาแล้วทีนี้กําลังขาลงนละ้ จเจริญสูงขึนถึงสุดจุดจุดสูงสุดของความเจริญของร่างกายนะคือครึ่งทางก็สี่สิบสี่สิบห้าถือว่าเป็นเป็นความเจริญตตตเติตโตเต็มที่ของร่างกายนะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มนักถอยหลังนะสี่สิบห้าพอสี่สิหกมันก็แก่ลงไปทีละนักเทียน้อยห้าสิบหกสิบ เจ็ดสิบเนี่ยโยมเมื่อกี้เขาเคยมาตอนที่ก็สี่สิบกว่าห้าสิบอนนี้มาเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพนี่คือเรื่องของร่างกายและท่านก็บอกว่าเป็นอนัตตาคือมันไม่ได้เป็นตัวตนอย่างที่เราคิด ตัวตนนี้เกิดจากความคิดของเราเองเราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราตัวที่คิดก็คือตัวธาตรู้นี่ธาตรู้คือใจตัวนี้มาได้ร่างกายเป็นของขวัญจากพ่อแม่พ่อแม่สร้างร่างกายนี้แล้วก็มอบให้กับลูกลูกก็คือใจที่ไม่มีร่างกาย ก็เลยมารับร่างกายจากพ่อแม่ใจที่ไม่มีร่างกายก็คือใจที่เสียร่างกายอันเก่าไปคือตายไปจากชาติก่อนชาติก่อนมีร่างกายแต่มันหมดสภาพไปมันเสื่อมไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความจริงร่างกายมันก็ไม่ได้ตายร่างกายมันก็แยกกลับไปสู่บ้านเก่าน้ำ ดินน้ำลมไฟเขาก็แยกไปคนอาทิ์คนละทางใจก็ต้องแยกจากเขาไปทีในี้ใจที่มารับมารอรับร่างกายจากพ่อแม่ก็เพราะว่าใจนี้มีความหลงมีความอยากอยู่ในใจหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่การมีร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายไปหาความสุขต่าง าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่มีร่างกายอันเก่าก็เลยไปรอคิวไปรอเอาร่างกายอันใหม่พอใครแต่งงานกันก็เดี๋ยวก็จะสร้างร่างกายอันใหม่ขึ้นมาพอเกิดการสร้างร่างกายอันใหม่คนใจที่ไม่มีร่างกายก็มารับไปแล้วแต่บุญ เรอจังหวะโอกาสของแต่และใจเหมือนกับการไปสอบเอนทานเนี่ยใครสอบได้ก็เข้าได้ใครสอบไม่ได้ก็เข้าไม่ได้ถ้าใครมีคุณสมบัติใจดวงไหนมีคุณสมบัติพร้อมที่จะมารับร่างกายเขาก็รับไปรับไปแล้วก็ตอนต้นก็ไปอยู่ในท้องแม่ก่อนอาศัย แม่เป็นคน<ม>ป้อนธาตุทั้งสี่ให้มาก็กินอาหารดื่มน้ําหายใจเข้าออกก็เป็นการเอาธาตุเข้าไปในร่างกายเวลาเรารับประทานอาหารเราก็ธาตุดินส่วนใหญ่เป็นธาตุดินเข้าไปแต่ก็มีธาตุน้ําของเหลวก็เป็นธาตุน้ําของแข็งก็เป็นธาตุดินเช่นผักข้าวนี่ก็เป็นธาตุดินเป็นส่วนใหญ่ ก็เข้าไปในร่างกายแล้วลแม่ก็ส่งบาบแบ่งให้ลูกทางสายเลือดก็ช่วยสร้างร่างกายของลูกขึ้นมาที่เราเล็กเทาน้อยพอได้เก้าเดือนก็พร้อมที่จะออกมาเพื่อจเจริญเติบโตต่อไปเพราะถ้าอยู่ในท้องก็ไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญได้มากแต่กว่านี้เหมือนกับเวลาเราปลูกต้นไม้ในกระถาง พอต้นไม้มันโตเต็ม ท, ที่มันก็ต้องย้ายต้นไม้จากกระถางลงดินมันถึงจะโตได้ไม่้มันก็ไม่มีที่ให้มันโตเพราะดินที่ใส่ในกระถางมันก็กลายเป็นรากไปหมดนะกลายเป็นต้นไม้ไปหมดนะก็ต้องย้ายดินย้ายต้นไม้ลงลงดินมันถึงจะสามารถเติมเติมดินเติมน้าเพิ่มดินเพิ่มน้ําให้มันจเจริญเ ต, ติบโตขึ้นไปได้ ร่างกายของคนเราเวลาอยู่ในท้องก็เหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ในกระถางพอมันโ ต, โตเต็มที่กระถางแตกไปนี่มันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องคลอดออกมาพ อ, ออกมาแล้วก็เริ่มมาม า, ามาเติมธาตุต่อไปอกินอนต้นก็กินธาตุเหลวก่อนอกินนมกินอะไร ดื่มนมดื่มของทำกินของเหลวไปก่อนเพะยังไม่มีฟันยังไม่มีอะไรร่างกายก็ค่อยจเจริญเติบโตขึ้นไปตามลาดับสมจะสนใจซึ่งในขณะที่อยู่ในท้องก็เหมือนกับยังยังนอนหลับอยูอ่เวลาที่เราตายจากเวลาที่เราทิ้งร่างกายอันเก่ามานี่ก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับเพ อ, อร่างกาย อันเก่าตายไปเราก็นอนหลับฝันไปฝันดีก็ไปก็เรียกว่าเป็นสวรรค์ฝันร้ายก็เรียกว่าเป็นอาบายเป็นนรกเ ป, นเป็นเปรตเป็นอะไรไปพอร่างกายออกจากท้องแม่มาก็ตื่นขึ้นมาแต่ตื่นแต่ที้ได้ตื่นขึ้นมาแทนที่จะได้ร่างกายอันเก่าก็ได้ร่างกายอันใหม่ วิธีเปลี่ยนร่างกายก็เหมือนนอนหลับไปพอทิ้นอนหลับก็ทิ้งร่างก่ากายอันเก่าไปแล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็ได้ร่างกายอันใหม่ในตอนถ้าร่างกายนี้ยังไม่ยังไม่ตายเราก็ยังตื่นขึ้นมาได้ร่างกาย อ, อันเก่าอยู่เช่นเมื่อคืนนี้เรานอนหลับไปเราก็ฝันไปช่วงนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกาย เราก็ฝันฝันดีก็เป็นผลของบุญที่เราทํากันฝันร้ายก็เป็นผลของบาปที่เราทํากันพอเราหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ายังได้ร่างกายอันเก่าอยู่เพราะว่าร่างกายอันเก่านี้ยังไม่ตายยังไม่หมดสภาพแต่มันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่พอเวลาเรานอนหลับไปแล้วมันมันไม่ตื่นละอย่างพระท่านเขียนไว้บน เ, เห็นใบ ตาลปัดพรนะเนี่ยที่พรสวดศพสีสส่รูปเนี่ยเราจะมีคำเขียนว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีนี่คือเรื่องของร่างกายของเรามันจะต้องถึงวันที่มันหลับไม่ตื่นหลับแล้วก็ไม่ตื่นพอเราตื่นอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นร่างกายอันใหม่ไปที่บางทีร่างกายใหม่อาจจะไม่ได้เป็นของมนุษย์ก็ได้ ถ้ายังไปทำถ้าเคยไปทําบาปมา mm hmm. ก็อาจจะได้ร่างกายของสุนัขของแมวของนกของอะไรไปก่อนเพราะเราไปทําบาปไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาไปยิงนกตกปลาตายไปก็กลับมาเป็นนกเป็นปลาไปก่อนใช้กรรมเก่าไปก่อนพอกรรมเก่าไม่มีแล้วพอเตินขึ้นมาอีกทีก็ได้ร่างกายของมนุษย์แล้ว ที่จะได้เป็นมนุษย์ชนิดไหนก็แล้วแต่แล้วแต่โอกาสจังหวะอาจจะเป็นฝรั่งอาจจะเป็นอแอฟริกันอาจจะเป็นจีนอาจจะเป็นญี่ปุน่นอาจจะเป็นไทยอ๋ อ, อกเกิดมาแล้วก็มาเรียนรู้ใหม่เรียนรู้วิธีกินเรียนรู้วิธีพูดภาษา ความรู้เก่าก็ลืมไปหมดนะแต่ความรู้บางอย่างไม่ลืมความรู้บางอย่างก็ลืมไปความรู้เก่าที่ไม่ลืมก็คือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราเกลียด น, นี่เราไม่ลืมสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราเคยทำไปเรามักจะไม่ลืมเคยไปวดัดเคยไปทำบุญนี่มันจะติดนิสัยไปเคยทำบาปมันก็จะติดนิสัยไป เวลาเรามาเกิดเราจึงมีนิสัยที่ต่างกันะลูกถึงแม้ว่าจะมาเกิดจากพ่อแม่เดียวกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันคนหนึ่งอาจจะขยันกวัยคนหนึ่งคนหนึ่งอาจจะฉลาดกวัยคนหนึ่งคนหนึ่งอาจจะเก่งกวัยคนนึงอันนี้มันติดมากับใจ ส่วนที่ดีเราก็เรียกว่าบารมีวาสนาบารมีส่วนที่ไม่ดีแล้วก็เรียกว่ากรรมเช่นพวกที่ชอบกินเหล้าเมายาเสพยาเสพติดเล่นการพนันตรงนี้ก็มีกรรมติดมาพวกชอบทํำบาปทากรรมชอบยิงนกตกปลากโกหกหลอกลวงรักทรัพอะไรต่างๆเพระเ พ, พื่อผิดกตเวนีตรงนี้ก็เป็นพวก ชาติก่อนเคยทำอย่างนี้มาชาตินี้ก็ติดเป็นนิสัยมาเหมือนกับชาติก่อนถ้าเคยใช้มือขวาชาตินี้ก็จะมาใช้มือขวาต่อถ้าเคยใช้มือซ้ายก็จะมาใช้มือซ้ายต่อมันเป็นความถนัดที่มันติดมาอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่ความจำเรื่องของอดีตมันลืมไปหมดนวเพราะว่า แม้แต่ปัจจุบันนี้เรายังลืมได้เลยยังไม่ตายนี้เมื่อวานนี้เราทําอะไรบ้างเราก็ยังจําไม่ได้เมื่อวานนี้กินอาหารอะไรจำได้ไนหะมเมื่อวานนี้ยอมรับประทานอ า, อาหารอะไรบ้างจําได้ปนะต้องมานั่งนึกก่อนเนะี่ยเมื่อวานนี้ทําอะไรคบปะาตบใครบ้างเนี่ยบางทีจําไม่ได้แนละ้ะ เพราะ ม, มัเหตุการณ์เข้ามาเยอะมีข้อมูลเข้ามาให้ใจรับรู้เยอะข้อมูลเก่าๆที่รับรู้ไปถูกกดถูกทับไปถูกทับไปข้อมูลใหม่ก็เข้ามาทับข้อมูลเก่าไปเรื่อยๆถ้าอยากจะรู้บางทีต้งนั่งเฉยๆต้องมีสมาธิดีๆถึงจะสามารถย้อนกลับไปได้ว่าเมื่อวานนี้เราทําอะไรบ้างคนที่มีสมาธิดีๆนี่ราลึกชาบได้ เวลานั่งแล เ, เขาสามารถย้อนรดีตนึกไปถึงอดีตที่เขาเคยเป็นเคยอะไรมาได้แต่ต้องมีสมาธิที่มีพลังมากถึงจะระลึกชาติได้ถึงจะเลิกได้ว่ า, เ, าเมื่อก่อนเราเป็นใครอยู่ที่ไหนเป็นอะไรบ้างม า, าเช่นพระพุทธเจ้านี่ราลึกได้ที่เราเ ร, เราฟังพระชาดกนิทานชาดก พระเจ้าสิทชาตินี่ก็คือในแต่ละชาติที่พระพุทธเจ้าเคยเป็นมาในอนดีตทรงล้ำลึกถึงว่าชาติก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถานี้ได้เป็นพระเวชสันดรแล้วก่อนนั้นก็ได้เป็นพระเตมีก่อนนั้นก็ได้เป็นพระมหาชนกอันนี้เป็นแต่ละชาติของพระพุทธเจ้าล ต่แต่ละชาตินั้นพระองค์ก็ได้ส่งบำเพ็ญบารามีต่างๆกันเช่นในครั้งที่เป็นพระเวชสันดรก็ได้บำเพ็ญทานบารามีมีอะไรก็เสียสละแบ่งปันไม่หวงไม่เก็บเอาไว้เป็นของตอนเองบางชาติก็ไปเจริญอุเบคาบารามีคือนิ่งเฉยไม่ตอบโต้ไม่อะไร ใครจะพูดใครจะว่าใครจะทำอะไรก็เฉยเป็นพเฒนีบางชาติก็ไปเจริญวิริยะบารมีความขยันหมั่นเพียรไปลอยคออยู่กลางทะเลก็ไม่ไม่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมอยู่เฉยเฉยว่ายนะ้รับว่ายไปให้ถึงฝั่งไม่ได้อันนี้ก็เป็นประวัติของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงระลึ ก, กรู้เอง แล้วมา น, ำม า, นำมาสั่งสอนพวกเราเพื่อให้เราเห็นว่าในแต่ละพแต่ศาะชาเน้นพระองค์ได้สร้างบา ร, รมีอย่างไรมาบ้างเพราะการที่จะได้มาตัดสรุ้เป็นพระพุทตเจ้านี้ยังเป็นจะต้องมีบา ร, รมีสิบประการด้วยกันมีคุณสมบัติที่จะทำให้สามารถบรรลุ ตัดสูเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องมีบารมีสิบเริ่มต้นที่เมตตาบารมีต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์นี้ท่านจะมีเมตตาบารมีมากท่านจะเอื้อเฟื้อสงเคราะห์ผู้อื่นอย่างเมื่อเช้านี้ก็มีคนมาพูดว่าเขาถามว่าเขาว่าในหลวงนี่เป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหม เราก็บอกว่าท่านก็มีคุณสมคุณสมบัติอย่างนั้นท่านมีพระเมตตาท่านมีทานท่านมีการเสียสละท่านมีศีลบาลีใช่ไหมท่านรักษาศีลให้บริสุทธิ์ปกติกษัตริย์นี่ส่วนใหญ่จะมีภรรยาหลายคนแต่มีท่านนี่ไม่มีภรรยาหลายคนท่านรักษาศีลก็สามได้นะ สิ่งที่ไม่ประพฤตผิดโปรนี่ท่านก็ไม่พูดปดไม่ลักทรัพย์ไม่ฆ่าไข่ไม่ทําร้ายทัพย์สุราท่านอาจจะดื่มเป็นบางครัง้งบางคราวแต่ไม่ได้ดื่มเป็นอา จ, จินก็แสดงว่าท่านมีศีลมีศีลบาลมีมีทานบารมีแล้ท่านก็ทรงปฏิบัติธรรม ส่งศึกษาธรรมะแล้วก็ส่งปฏิบัติก็สร้างเนคข ม, มารมีสร้างอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีก็เกิดจากการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่การาบผู้บาอาจารย์สายปฏิบัติมีพระสังฆราชเป็นอาจารย์คอยสอนธรรมะอยู่ ท่านก็ศึกษาธรรมท่านก็เจริญปัญญาบารมีต่างๆแล้วก็มีอธิษฐานบารมีคือมีปาิธานมีความตั้งใจตอนที่สรงของราศท่านก็มีปาิธานนะว่าจะของรองาศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอันนี้ก็เรียกว่าอธิษฐานบารมี เหมือนพระพุทธเจ้าตอนจะตัดสรตวท่านก็บอกจะนั่งอยู่ที่ใต้โคนต้นโพนี้จะไม่ลุกจากต้นโพนี้ไปจนกว่าจะตัดสรตวถ้ายังไม่รู้ก็จะนั่งต่อไปจะภาวนาต่อไปอันนี้คืออธิษฐานบาลีมีความตั้งใจที่แน่นอนคนเราจะทำอะไรสำเร็จนี้ต้องเริ่มจากการมีความตั้งใจ อย่างวันนี้ญาตโยมมาที่นี่ได้ก็เพราะว่ามีความตั้งใจจะมาะถ้าไม่มีความตั้งใจก็อาจจะไปทำไปทาอะไรอย่างอื่นเช่นตืินขึ้นมาไม่รู้จะทำอะไรพอดีมีคนโทรศัรรพท์มาชวนไปนู่นมานี่ก็อาจจะไปกับเขาก็ได้ว่าเราไม่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ว่าเราจะไปไหนแต่ถ้าเราตั้งโปรแกรมไว้ว่าวันนี้จะไปทำนู่นทานี่ ใครโทรมาเราก็ต้องปฏิเสธไปบอกวาวันนี้ไม่ว่างวันนี้จะไปท ำ, น, น, ทำนู่นทานี่ยังก่อนที่เราจะทำอะไรให้สาเร็จได้เราต้องมีการตั้งโปรแกรมไว้ก่อนพอเราตั้งโปรแกรมแล้วใครจะมาชวนเราเราก็จะได้บอกเขาว่าเราไปไม่ได้ถ้าเราลักษาะมีความจริงใจต่อความตั้งใจของเรา ถ้าเราเปลี่ยนใจก็แสดงว่าเราไม่มีสัจจะเช่นเราตั้งใจจะมาแล้วพอดีมีคนมาชวนหบอกไปที่นูน่นเราก็เลยคิดไปคิดมาอาไปก็ไปก็เลยเปลี่ยนใจถ้าเปลี่ยนใจก็เรียกว่าไม่มีสัจจะบาลมีก็จะไม่ทำอะไรสาเร็จได้เพราะจะเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆตอนต้นตั้งใจจะทําอย่างนั้นพอทําไปได้สองสามวันเบื่อแล้วไม่อยากจะทําก็เลยเปลี่ยนใจ เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นต่อบางคนบอกว่าจะบวชไปตลอดชีวิตพอบวชไปได้สักพรรษา2องพษ า, พาเบื่อขึ้นมาก็เปลี่ยนใจไม่บวชแล้วไปเสด็์ไปทำอย่างอื่นนีแสดงว่าไม่มีสัจจะมีความตั้งใจแต่ไม่มีสัจจะก็ไม่สามารถทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้ให้สำเร็จได้มีความตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะความจริงใจ ไม่เปลี่ยนใจไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่เปลี่ยนใจอย่างวันนี้าตโยมมาที่นี่นะพาะไม่ได้เปลี่ยนใจตั้งใจจะมาแล้วใครจะชวนหรือใครจะเรียกไปไหนมาไหนก็ปฏิเสธหมดพอได้ตั้งใจแล้วว่าจะมาอยู่วัดก็แสดงว่ามีสัจจะแล้วมีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยะคือความพยายามที่จะ เดินทางมาที่วัดนี้ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกขี้เกียจไม่อยากจะไปไหนก็อาจจะไม่ได้มาถ้าเกิดความขี้เกียจก็ต้องบังคับตัวเองว่าขี้เกียจไม่ได้เราจองที่พักแล้วเราตั้งใจแล้วเราต้องมาแล้วก็เลยต้องใช้ความขยันความพยายามนี้ดึงร่างกายให้ออกมาให้ออกเดินทางให้ได้ ต้องมีความขยันความภาคเพียรถึงจะสามารถทําอะไรให้สําเร็จได้เขาเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้ามีความตั้งใจมีสัจจะถ้ามไม่มีความพยายามก็ไม่สําเร็จเองตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความขยันทําก็อาจจะทําแบบขอไปทีก็อาจจะทแบบํทาจจทให้สําเร็จ หรือสำเร็จ ก, ก็อาจจะช้าเกินไปทำแบบเช้าชามเย็นชามอะไรอย่างนี้ก็ถ้าอยากจะทำาให้สำเร็จ ก, ก็ต้องมีวิริยะบาลมีความพยายามแล้วบรารมีข้อสุดท้ายที่ต้องมีก็คือขันติความอดทนเพราะการจะทำอะไรนี่มันก็อาจจะเจออุปสรรคต่างๆ ถ้าไม่มีความอดทนก็อาจจะ ย, ยกเลิกไม่ทําดีกว่าทำไปแนละ้วใครเขาด่าเราหน่อยว่าเราหน่อยก็ไม่เอาละไม่ทํและ mm hmm. ก็จะไม่สำเร็จแต่ถ้ามีความอดทนใครจะดา่าใครจะอะไรก็ปล่อยเขาด่าไป mm hmm. เราตั้งใจจะทำของเราเราก็ทำของเราไป mm hmm. มันก็จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ mm hmm. ได้ ถ้าไม่มีขันติไม่มีความอดทนนี้ทําอะไรไม่ค่อยสําเร็จเพราะว่เวลาไปเจออุปสรรคมันจะทําไม่ได้จะไม่อยากทําขึ้นมาเช่นพวกที่เขาชอบตั้งอธิษฐานตั้งตั้งสัจจะในปีใหม่ว่าปีนี้จะทําอย่างนั้นทําอย่า ง, งนี้จะเลิกกินเล่าจะเลิอกอะไรนี้พอพอไปไม่กี่วันมีเพื่อนมาชวนไปกินเลี้ยงก็อดไม่ได้นะ เวลาอดเดืมเวลาแล้วมันหยุดหยิดมันไม่สบายใจถ้าไม่มีขันติความอดทนมันก็จะทนไม่ไหวมันต้องมีขันติในความอดทนเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถทำในสิ่งที่เราอยากจะทำให้สำเร็จได้นี่ก็คือบารามิสิทธิชนิดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบางเพ็ญในในใ น, ในแต่ละภพในแต่ละชาติ ที่เป็นเรื่องพระเจ้าสิบชาติขึ้นมาเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงย้อนอดีตไปลำลึกถึงอดีตของท่านแล้วก็นำมาเล่าให้พวกเราฟังกันก็เหมือปู่ย่าตายายเล่าเรื่องราวต่างๆสมัยที่ท่านเป็นหนุม่มเป็นสาวก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาว่าท่านทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยให้ลูกหลานฟังแต่ปู่ย่าตายายของเราก็จาได้แต่เฉพาะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชาตินี้เท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะจำได้ถึงเหตุการณ์ที่ของชาติก่อนๆได้วางเร็วๆสิวางปั๊บก็ไปเลยเส <c oughs> ียงมันดังนะนี่ก็คือเรื่องของ ใจที่ไม่ตายใจที่เรียกว่าธาตุรู้นี้ไม่ตายเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยในแต่ละร่างกายในแต่ละชีวิตก็มีการกระทาสิ่งต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างเตแต่พวกเรานึกนึกไม่จำไม่ได้กันมันก็เลยทำให้เราไม่เข็ดหลาบกัน ทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทลารับโทษไปก็ไม่เข็ดหลับกลับมาก็กลับมาทําใหม่โดยทําในสิ่งที่ดีแล้วได้รับผลดีก็จําไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็มันดีตรงที่ว่ามันติดเป็นนิสัยมาเนี่ยคนเราแต่ละคนมีนิสัยต่างๆ ต, ติดมาแล้วเราก็มาเรียนรู้นิสัยใหม่เพิ่มเติมจากพ่อแม่ ถ้าเรามาเกิดกับพ่อแม่ที่เป็นคนดีพ่อแม่ก็จะเอานิสายดีมาสอนลูกสอนไม่ให้ทาบาปสอนให้ทาบุญตอนที่เป็นเด็กๆลูกก็จะฟังเชื่อฟังเพราะยังไม่มีกำลังที่จะทำอะไรตามตามนิสายเดิมของตนแต่พอโตเริ่มโตขึ้นโตขึ้นต่อไปก็จะเื่อจะเลื้อมากขึ้น เพราะว่าจะอยากจะทำอะไรตามนิสัยเดิมของตนเด็นพ่อแม่ก็จะสอนได้ในช่วงแรกๆช่วงที่ยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นก็ยังเชื่อฟังแล้วก็ทำตามทำตามเขาก็อาจจะได้นิสัยใหม่ไปถ้านิสัยเก่าของเขามันเป็นนิสัยที่มันไม่ฝังนึก ก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยเก่าที่ไม่ดีได้เช่นนิสัยเก่าเขาอาจจะไม่ชอบทำบุญชอบทำบาปเนี่ยพอได้มาอยู่กับพ่อแม่ที่สอนให้ทำบุญไม่ให้ทำบาปก็อาจจะติดนิสัยใหม่ใหม่ขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นนิสัยที่มันฝังลึกที่เรียกว่าสันดานเนี่ยที่ชอบทำบาปไม่ชอบทำบุญถึงแม้ว่าตอนเด็กๆพ่อแม่ จ, จะสอนให้ พาไปทำบุญสอนให้ไม่ทำบาป ก, ก็ทำตามพ่อแม่ได้แต่พอโตเป็นตัวของตนเองไปอยู่แยกอยู่จากพ่อแม่เดี๋ยวก็ไปทำตามสันดานเดิมเคยชอบทำบุญก็ชอบทำบาป ก, ก็จะทำบาปไม่ชอบทำบุญก็จะไม่ทำบุญอนั้นนิสัยของแต่ละคนที่มีติดมานี่มันมีอิทธิพลต่อ การดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันถ้าเป็นนิสัยที่ไม่ฝังลึกมันก็เปลี่ยนได้ง่ายถ้าเป็นนิสัยที่ฝังลึกก็เปลี่ยนได้ยากไม่ว่าจะเป็นนิสัยดีหรือไม่ดีนิสัยดีถ้าฝังลึกก็เปลี่ยนยากเช่นเป็นคนนิสัยดีแต่ไปอยู่กับครอบครัวที่สอนให้ทำบาปเช่นไปมีอาชีพเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ตอนเด็กๆ ก, ก็อาจจะทำตามที่พ่อแม่สอนให้ทำเพราะยังเป็นเด็กอยู่แต่ในใจอาจจะไม่อยากจะทำไม่ชอบทำแต่เนื่องจากอยู่กับพ่อแม่เขาให้ทำก็ต้องทำช่วยเหลือกันช่วยทำงานกันในบ้านก็ทำไปแต่พอถ้าโตเป็นตัวของตัวเองด้านเขาก็จะไม่ทำอย่างพราพระธเจ้านี้ได้บลูกฝังนิ ส, สัยที่ดีมามาก พอมาเกิด็นตระกูลของกษัตริย์พ่อก็อยากจะให้พระพุธทธเจ้าเป็นกษัตริย์อยากให้เป็นมหาจากักรพรรดิจะเป็นมหาจากักรพรรดิก็ต้องไปทำสงครามจะได้มีดินแดนมีอาณาจักรใหญ่โตขึ้นมาก็ต้องไปบวกรุ ก, กไปไปเบียดเบียนผู้ทำสงครามพระพุธทธเจ้าก็ไม่มีนิสัยแบบนี้ นิสัยท่านชอบทำบุญชอบรักษาศีลท่านก็เลยไม่ทำตามเลยท่านก็เลยหนีไปบวชแทนอันนี้ก็เป็นนิสัยเดิมที่ได้ปลุกฟังมาต่อให้ใครจะมาสั่งมาสอนยังไงก็ถ้าสอนไปในทางที่ท่านไม่ทีท่านไม่ไม่ชอบท่านจะไม่ไปท่านจะไปในทางที่ท่านชอบ อันนี้ก็เป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจที่มารวมกันเป็นมนุษย์ขึ้นมาร่างกายก็เป็นเพียงผู้รับคำสั่งของใจผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆคือใจร่างกายที่มาจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่คนมาสั่งเป็นคนละคนกัน เพราะน้นพี่น้องนี่แต่ง ม, มีนิสัยไม่เหมือนกันนะพี่น้องบางบางคนก็ชอบเข้าวัดบางคนก็ชอบเข้าบาบางคนก็ชอบบวชบางคนก็ชอบไปทำอะไรอย่างอื่นเพราะว่าใจนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่ใจมาจากชาติก่อนพบก่อนที่เวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วก็ต้องมาหาร่างกายอันใหม่ พอได้ร่างกายใหม่ก็จะใช้ร่างกายใหม่ตามนิสัยเดิมเคยใช้มือขวาก็จะใช้มือขวาคนที่เคยใช้มือซ้ายก็จะใช้มือซ้ายชอบอะไรก็จะชอบอ่งั้นเกลียดอะไรก็จะเกลียดอย่างนั้นมันก็จะเป็นทำให้พี่น้องนี้ไม่เหมือนกันทั้งๆ ท, ที่มาจากพ่อแม่คนเดียวกันจะเหมือนกันก็ตรงนี่หน้าตา หน้าตานี้เหมือนกันพ่อมาทางร่างกายนี้มาจากพ่อแม่แต่ทางจิตใจนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่มาจากกรรมอย่างบทสวดมนต์ที่เราสวดกันว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดกรรมก็คือนิสัยดีนิสัยไม่ดีนี่เรียกว่ากรรมเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ถ้าเรามีนิสัยดีแล้วก็มีพวกดีเป็นเผ่าพันธุ์ ถ้าเรามีนิสัยไม่ดีแล้วก็มีพวกไม่ดีเป็นเผ่าพันธุเออ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เ, เพราะว่าความสุขความทุกข์ของเรานี้เกิดจากกรรมที่เราทํานีออ้ถ้าเราทําบุญเราก็จะได้ความสุขออถ้าเราทำบาปเราก็จะได้ความทุกข์เราจึงอาศัยกรรมเป็นผู้ให้ความสุขความทุกข์กับเราออ เรามีกรรมเป็นที่ทึ่องอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วคำว่ากรรมนี้ไม่ได้มาคําว่าบาปคำว่ากรรมนี้หมายถึงการกระทาทางกายวาจาใจจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นรับผลก็คือเวลามาเกิดนีพี่น้องก็จเจริญเต ก้าวหน้าไม่เหมือนกันจเจริญไปคนละทิศคนละทางบางคนก็จเจริญไปในทางโลกบางคนก็จเจริญไปในทางธรรมนะ แ, แต่บุญกรรมบุญนู้นแต่การกระทาถ้าชอบทำความดีก็จ ะ, จะเจริญไปในทางธรรมถ้าชอบทำบาปก็จ ะ, จะเจริญไปในทางโลกอันนี้ก็คือเรื่องของใจที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกาย ร่างกายที่เป็นสังขารที่ไม่เที่ยงต่อให้เก่งขนาดไหนต่อให้เลวขนาดไหนร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้ไม่ต่างกันร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ต้องแก่เจ็บตายเทวทัตก็ต้องแก่เจ็บตายคนดีก็แก่เจ็บตายคนไม่ดีก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเพราะอันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกาย ที่ไปของคนดีกับคนไม่ดีมันต่างกันคนที่ทำดีไม่ทำบาปก็ไปสุขติไปสวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปพันิพานคนที่ทำไม่ดีก็ไปอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปตกนรกนี่คือที่ไปของใจเวลาที่แยกออกจากสังขารคือร่าง เวลาที่ธาตุทั้งห้าแยกแยกทางกันเวลาร่างกายตายไปนี้ธาตุทั้งสี่ก็แยกไปน้ำก็ไปทางลมก็ไปทางดินก็ไปทางไฟก็ไปทางใจธาตุรู้ก็ไปอีกทางไปตามบุญไปตามบาปถ้าบุญพาไปก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆอย่างพระพุทธเจ้านี่ก็ไปนิพพานเพราะได้ทรงสร้างบุญอันสูงสุดก็ไปนี้ ถ้ายัางไม่ถึงขั้นสูงสุดก็ไปขั้นรองลงมาขั้นอนาคามีขั้นสกิดาคามีขั้นโซดาบันถ้าต่ำกว่านั้นก็ไปขั้นโพรมาโลกต่ำกว่นั้นก็ไปขั้นเทวโลกต่างกว่นั้นก็ไปมนุษยโลกเมื่อคนตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปอบายเพราะบาปก็ไม่ได้ทําบุญก็ไม่ได้ทําก็เลยไม่มี เหตุที่จะเด้งให้ไปสวรรค์เล่นเดงให้ไปนรกเพราะไม่ได้ทำบาปก็ไม่ได้ไปนรกแต่ก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ไปสวรรค์ก็เลยกลับมาเป็นมนุษย์นี่คือเรื่องของร่างกายและจิตใจของพวกเราถ้าพวกเราเข้าใจแล้วเราจะได้ไม่มีความสงสัยหรือมีความหวาดกลัวว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนกัน เราเราจะไม่สงสัยว่าใครตายนี่ใครไม่ตายเราจะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายมันจะตายก็เป็นเรื่องปกติของมันไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครต้องเป็นเช่นนี้ด้วยกันทุกคนแต่ใจนี้เราสามารถที่จ ะ, ะผลักดันมันให้ไปในทางใดทางหนึ่งได้ ผลักดันให้มันไปในทางที่มีแต่ความสุขก็ได้คือสุขกติและผลักดันให้มันไปในทางที่มีแต่ทุกข์ก็ได้เรียกว่าทุกขกติอยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราทําบาปเช่นฆ่าสัตว์รักย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมานะอบายามุขต่างๆเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นนิตรมีความเกลียดข้าศ อันนี้คือการกระทาที่จะผลักดันให้ใจเราไปอบายกันถ้าเราทำบุญรักษาศีลภาวนาได้อันนี้ก็จะผลักดันให้เราไปสุขติกันไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆะไปนิพพานไปแบบไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราทุกคน ที่ไม่ได้จบที่การตายของร่างกายการตายของร่างกายเป็นเหมือนการนอนหลอบเป็นการเปลี่ยนร่างกายเดี๋ยวพอตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นเด็กร้องอาออกมาจากท้องแม่ก็ร้องพอเริ่มหายใจก็ร้องตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาในโลกใบใหม่ในร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทาบุญทำบาปตามทิสัยเดิมที่เคยติดตัวมา ทนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมถ้าไปเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีก็อาจจะทําให้เปลี่ยนชีวิตได้เช่นได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีได้มาพบกับอาจารย์ที่ดีครูที่ดีเจวพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็สอนให้เราไปในทางที่ดีแล้วถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อเราน้อมนําเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะเปลี่ยนทิศทางของเราไป จากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จะมีโอกาสอย่างนี้เพียงเวลาที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเท่านั้นมาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะพาให้เราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างมากก็จะสอนให้เราไปแค่สุคติ ช่นดูาศาสนาอื่นนี้เขาจะสอนให้ทาบุญสอนให้รักษาศีลเหมือนกันหรือสอนให้ทำสมาธิกันเช่นร้องเพลงสวดมนต์อะไรพวกนี้ก็เป็นวิธีทาสมาธิอย่างหนึงงน่งก็จะไปได้แค่สวรรค์ชั้นพรหมที่จะต้องเสื่อมกลับมาเป็นมนุษย์มาเกิดใหม่จะไม่สามารถไปถึงชัน้นนิพพานได้เพราะชัน้นนิพพานนี้ จะต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางเท่านั้นนอกนั้นไม่มีใครรู้สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญก็ไม่มีใครรู้ทางไปสู่นิพพานรู้แค่ทางไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมรรู้จากวิธีนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เป็นฌานขึ้นมาถ้าตายไปก็ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมแต่บุญที่ทำจากการนั่งสมาธิก็จะเสื่อมไป เมื่อมันเสี่มก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยังไม่หลุดพ้นยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ท่านพระพุทธเจ้าเลยต้องไปศึกษาด้วยวิธี ด, ย, ด, ย, ดยตนเองเพราะไม่มีใครรู้จากทางที่จะไปแบบไม่ต้องกลับมาเกิดในที่สุดพระอง์ก็มีปัญญาที่สามารถเห็นได้ว่าการที่เรากลับมาเกิดก็เพราะเกิดจากความอยากของเราเองกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ความอยากสามตัวนี้ทําให้เรากลับมามีร่างกายเพราะเราอยากมีรูปเสียงยักเราอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายท่านเห็นท่านเลยหยุดเสกคามหยุรูปเสียงกลิ่นรสหยุดอยากจะใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆหาราบยศสรรเสริญก็ต้องมีร่างกายพอตัดความอยากได้ทั้งสามตัวนี้ก็ไม่นํากลับมา มีร่างกายอีกต่อไปเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายอันนี้ต้องเกิดจากมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั่ความจริงอันนี้พอมีพระพุทธเจ้าแล้วคนอื่นพอได้ยินปั๊บก็สามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายได้ช่วงที่ทรงแสดงธรรมยุคนักๆนี้มีพวกที่เขามีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ พอฟังพุ๊บเขาก็บรรลุ ก, กันเลยบรรณุเป็นพระอาหารหันตีละห้าร้อยลูกแสดงทาให้กับพวกฤาษีชีพายพวกนักบวชในรัฐในรัฐที่อื่นที่มีมีบา ร, รมีพร้อมที่จะรับบา ร, รมีขั้นสุดท้ายคือปัญญาบา ร, รมีจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเรื่องของปัญญาให้เขา mm hmm. เขาก็เข้าใจ mm hmm. เขาก็มาตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี ตัดกามะตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาพอก็ตัดได้เขาก็ตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพวกเรากลับเป็นกันตรงกันข้ามพวกเราฟังจนหูหูฉีกนะ่กันแล้วรู้แล้วว่าเหตุที่ทําให้เราเกิดคือกามะตันหาเราก็ยังไม่ยอมตัดกามะตันหาเราก็ยังอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ ให้มาอยู่วัดเพื่อตัดมันก็ไม่ยอมมากันมากันปีหนึ่งก็มากันไม่กี่วันอีกส่วนใหญ่ก็ยังจะกลับไปหาความหาความสุขทางตาหูจะบูกลิ้นกายอยู่เพราะมันเป็นเหมือนติดยาเสพติดมันเลิกยากถ้าไม่มีสมาธินี้เลิกไม่ได้แต่คนที่ฝึกสมาธิแล้วจะมีกําลังเลิกเสพยาเสพติดได้เลิกเสพกสรกามได้เลิกใช้น่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ สิ่งที่พวกเราขาดกันไม่ใช่ปัญญาพวกเรามีปัญญาแต่สิ่งที่เราขาดก็คือสมาธิสมาธิจะเกิดก็ได้ต้องก็ต้องมีสติเราขาดสติกันเราไม่ฝึกสติกันเราปล่อยให้ใจเราลอยไปลอยมาตามกระแสความคิดต่างๆไม่ดึงให้มันอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องเดียวมันชอบไปอยู่กับหลายเรื่องชอบคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอให้มันอยู่เรื่องเดียวมันก็เกิดอาการหงุดหงิด เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาพอให้นั่งพุโทโธพุโทโธได้เดี๋ยวเดียวก็อึดอัดทนไม่ไหวเหมือนอกจะแตกเนี่พอกิเลสมันต่อต้านความอยากมันต่อต้านความอยากที่จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อจะได้ไปเสกความสุขต่างจากเรื่องราวต่างๆมันทําให้ไม่อยากจะอยู่กับพุโทโธแต่มไม่รู้อาการอยู่กับพุโทโธนี้จะทําให้ความอยากมันหยุด แล้วพอความอยากหยุดแล้วมันจะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพตามความอยากต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ชาวพุทธเราขาดกันมากก็คือสติกับสมาธิปัญญานี้เราไม่ขาดกันเพราะเรารู้ทุกคนรู้หมดไม่ใช่หรืออริยสัจสี่คืออะไรทุกคือการเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากอะไรก็เกิดจากการมรรตันหาภาวตันหาวิภาวตันหา และมักคืออะไรมักที่จะมาดับความทุกข์คืออะไรก็คือทานศีลภาวนาก็ไม่ชอบทำกันไม่ชอบทำมักไม่ชอบกินยากันชอบกินยาพิษกันชอบชอบทำตามความอยากกันพอทำตามความอยากก็เกิดความทุกข์ตามมาพอเวลาทำแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ขึ้นมาหรือเสียสิ่งที่เราได้ไปก็จะทุกข์ขึ้นมา เราต้องมาทําตามที่พระเจ้าสอนให้มากินยาขมกันยาขมก็คือทานศีลภาวนาแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินมาทําบุญแทนที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็เอามาทําบุญจะได้ความสุขที่ดีกว่าจะทําให้ใจมีความอิ่มเอิบมีความสุขและจะทําให้ไม่หิวกับการที่จะไปเที่ยว ก, การที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกาย แล้วก็จะทำให้เราสามารถรักษาศีลได้สามารถมาอยู่วัดมาภาวนาได้มาสร้างสติสร้างสมาธิได้พอมีสติมีสมาธิก็ไปหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากต่างๆได้ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้มาสัมผัสรับรูบร้ ถ้าเราสามารถทำตามตาที่พระเจ้าทรงสอนให้ทาตามตาได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องร้องหอบร้องไห้เวลาที่สัมผัานร่งกายของคนที่เราลักต้องจากเราไปว่าเราจะไม่มารับรู้เรื่อ ง, ร, องราเหล่านี้ต่อไปเราจะไม่มีร่างกายเราจะไม่มาเกิด เมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การเจ็บการตายไม่มีการพัดพากจากกันตอนนี้เรายังมีการพัดพากจากกันใช่มร้องหม้อง้กันทั่วประเทศเลยก็นี่มันเป็นเรื่องของสำคาญที่จะต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องมีการพัดพากจากกันถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีการพัดพากจากกันพระพุทธเจ้าไม่ได้มา พัดภาคจากพวกเราถ้าไม่กลับมาเกิดแล้วพัดภาคเป็นขั้งสุดท้ายพอแนละ้วแล้วก็จะไม่มาพัดภาคซ้ำแล้วซ้าอีกเหมือนพวกเราพวกเราถ้ายังไม่หลุดก็เดี๋ยวชาติหน้าก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็กลับมาพัดภาคจากกันใหม่ก็จะติดเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถสร้างสติสร้างสมาธิเพื่อมาหยุดความอยากให้ได้ ถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราครที่จะนำออกไปพินิษพิจารณาและเอาไปปฏิบัติเพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจะทำให้เรามีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ในชีวิตของเราอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรเออ่มาจากที่ไหนกันฮะมาจากอเมริก า, า, ากเลยไปอยู่ที่นั่นนานไหมสิบกว่าปีแนละ้วนะกลับมาเยี่ยมบ้านน ะ, ะมาประการนี้ด้วยว่าไปอยู่ที่รัฐไหนนะอ เ, นเอ่เกรอเอหรือ อยู่แาไหนผมอยู่ออเรนจ์อยู่เอลเออลเอเราก็เคยไปอยู่ตอนที่ไปเรียนหนังสืออยู่เคยไปทำงานในช่วงซัมเมอร์เทิร์นไปทำอยู่สามซัมเมอร์เลยนนานละตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะปีหแปดหเก้าเจ็ดูนู่นนะสามปี เ้าไปเรียงสือที่ no เฟรเียน no เฟรโสเตทยนวิศวะจากวิศวะที่นั่นแต่ช่วงปิดเทอมก็มาทางานที่เอวไอทนั้นยังไม่มีร้านอาหารไทยคนไทยยังไม่มีต้องไปกินอาหารร้านอาหารจีนร้านอาหารจีนบยก็ทากว๋วยเตี๋ยวร้านนงร้านหน้า้าอาหารจีนมันก็ทำด้านัาหารทได้่ยกเลยครับ เคยไปอยู่แถวถนนเวอร์มอนต์รู้จักไหมเวอร์มอนต์ทำงานแถวกริฟสต์พาร์คหนูเนี่ยมีกรีกเทอเตอร์อยู่ที่นั่นเคยไปทำงานที่กรีกเทอเตอร์ไปเป็นไปเป็นอาร์เชอร์รู้จักไหมอาร์เชอร์เป็นคนพาไปนั่งตามที่เวลาเข้าตั๋วมาว่าเดินไปอย่างนี้ใช่ไก็ดี ก็เป็นเป็นเหตุการณ์อย่างหนึ่งของชีวิตคบบไีไปอยู่โน้มอยู่ออร์เชื่อเคยไปวัดที่แซนดี้โกว่า่วัดอาจารย์เจบวัดเมตตามีพระชื่อไม้อยู่รูปหนึ่งท่านอยู่ที่นั่นห้าพรรษาแล้วพรรษา น, านี่ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ ช, ชื่อไม้ก็รู้จักไหมเคยเห็นไหม ร, รู้สึกว่าท่านเป็นลูกขึ้นลูกครึ่งอะไรสักอย่างเลยนะแตน่นเจ็ น, นส่งส่งมาเลยนะครับส่งมาจากที่วัดท่านเขาอยู่ที่นั่นมันไม่เหมือนมาอยู่เมืองไทยอเมืองไทยมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นต้นฉบับ อ, อยู่ที่นั่นมันยังไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมือนไม่ได้เจอของแท้ ของแท้ต้องมาอยู่ปฏิบัติในวัดป่าแถวนี้ท่านท่านเจบที่วัดวัดเมตตาก็ท่านเคยอยู่ที่นี่มาอยู่ที่ละยองวัดธรรมสถิตเนีรยอยู่มาเสร็จกว่าปีมั้งเกือบยี่สิบปีแล้วพอดีเขาสร้างวัดเมตตาเลยนิมนต์ให้ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่อดูแล้วดูล้ทึ่งนะครับเอ เพราะว่าพระที่เป็นหลังทั้งหมดฮะฮอการปฏิบัติการสวดอะไรต่ออะไรเนี่ยเราเห็นเรอเท่ห์มาอทุกอย่างเป๊ะหมดเลยพวกนี้เขาเวลาเขาศึกษาอะไรเขเอาจริงเอาจังครับไม่เหมือนพวกเราคนไทยทําแบบอทําไปตามธรรมเนียมบวชไปแบบบวชตามธรรมเนียมกันก็เลยไม่ค่อยเอาเอาจริงเอาจังกันบวชเพื่อศึกกัน พวกเขาบวชเพื่อนิพพานกันมันเลยไม่เหมือนกันเขาจึงมีความเพ่งคัดมากต่อพระธรรมวีไนเขาก็อาศัยมาศึกษาจากภาที่เมืองไทยนี่แหละอาศัยพาะวัดป่าวัดป่าสายหลวงปูป่ชาบ้างวัดป่าสายของหลวงปู่มั่นก็มีสองสายมีพระป่าเขาก็บวชเพื่อนิพพานกันเขาไม่ได้บวชเพื่อสึกกัน พระป่าที่บรรลุเป็นพระอรหันต์กันก็เป็นพระป่าทั้งนั้นะก็ดีก็เขาจะได้ไปให้สอนเราว่าเราเป็นคนไทยแท้ๆทําไมเรากลับไม่ไม่สนใจเหมือนกับเขาเพราะเขาอาจจะเจริญกับเราก็ได้เขาได้ผ่านทางความเจริญทางวัตถุมาแล้วก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นคําตอบ มันไม่ได้ทาให้เราพ้นทุกจากการมีวัตถุเข้าของเงินทงองต่างๆอาจจะพ้นทุกทางร่างกายเป็ร่างกายเราอยู่สุขสบายกันแต่จิตใจก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมอยู่ก็เลยทำให้เขาต้องไปหาอย่างอื่นศาสนาของเขาที่บ้านก็ไม่สามารถให้คําตอบเขาได้เขาต้องการพ้นจากความวุ่นวายใจ ในอพอมาศึกษาพุทธศาสนาก็ก็เห็นว่าเป็นทางที่ที่จะทำให้เขาหนุพ้นจากความทุกข์ใจได้เขาก็เลยศึกษาแล้วก็ปฏิบัติพอปฏิบัติเราก็อยากจะปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็เลยไปบวชกันที่นี้ก็มีชาวต่างชาติมาอยู่มาศึกษากันหลายชาติด้วยกันที่บวชเป็นพระก็มีชาวเยอรมันชาวฝรั่งเศส ชาวอเมริกันชาวบราซิลแล้วที่มาอยู่ศึกษาแบบชั่วคราวก็มีหลายชาติชาวโรมาเนียก็มาอยู่ที่นี่คนอยู่ได้เกือบปีแล้วแต่ยังไม่พร้อมที่จะบวชถ้าเขายังไม่พร้อมเขาไม่บวชเขาจะต้องดูใจของเขาทดลองใจเข้าไปเรื่อยๆก่อนว่าเขาตัดสิ่งต่างๆได้หมดหรือไม่ถ้าเขายังตัดไม่ได้เขาก็ยังไม่กล้าบวช พอบวชแล้วเดี๋ยวตัดไม่ได้ก็เส็จไปเขาไม่ได้บวชเพื่อที่จะเอาหน้าเอาตาเหมือนคนไทยเราบวชกันทีจัดงานเลี้ยงใหญ่โตแต่บวชแค่สิบห้าวันนั้นก็เสดกันกานบวชแบบเอาหน้าเอาตาสมัยที่เราบวชเราก็บวชกับกับคนอีกคนหนึ่งเขาก็บวชเขาบวชสิบห้าวันแต่เขาจัดงานคนงานคนงานบวชเขาเนี่มาเป็นร้อย แต่เรานี่มีคนมาแค่สี่คนนั่นเองเพราะเราไม่ได้ไปประกาศบอกใครให้รู้ว่าเราบวชเราบวชแบบไม่อยากจะให้ใครรู้บวชแบบเงียบๆไม่อยากจะยุ่งกับใครเพราะการบวชนี่เพื่อไปหาความสงบไม่ใช่ไปหาความวุ่นวายปัญหาของคนไทยเราชาวพุทธเราก็คือเราไม่มีเราไม่สนใจที่จะศึกษากันอย่างจริงจังเราสายปากต่อปาก ก็เลยได้แต่พวกผิวเผินได้รู้จักเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์รู้จักเรื่องทำบุญไม่ทำบาปแต่เรื่องลึกกว่านั้นไม่ไม่รู้กันเรื่องภาวนานี้ไม่รู้กันแต่พวกชาวต่างประเทศนี้เขาศึกษาจาก้อตายรปิฎกศึกษาพระสูตรต่างๆซึ่งก็ไปก็จะไปได้ศึกษาเรื่องการปฏิบัติกัน เรื่องการแสดงธรรมของพระเจ้าแสดงเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาพ mm hmm. อเขาได้ศึกษ า, าก็ลองไปปฏิบัติเดี๋ยลองนั่งสมาธิเดูพอนั่งแล้วใจก็รู้สึกเย็นสบายขึ้นเขาก็เลยเห็นว่านี่คือทางทางที่จะดับความทุกข์ได้ mm hmm. เขาก็เลยเกิดศรัทธาอยากจะบวชอยากจะปฏิบัติอย่างเต็มที่ mm hmm. ก็เดินทางข้ามน้งข้ามทะเลกันมามาบวชที่เมืองไทยกัน ก็ต่างประเทศเขาไม่มีธรรมเนียมเหมือนของเราไม่มีวัดไม่มีไม่มีคนใส่บาตรไม่มีอะไรเหมือนของเราเนี่ยของเรานี่มีมีระบบที่ดีอยู่แต่เรากลับไม่ไม่ไม่ใช้มันกันปล่อยให้คนอนื่นเข้ามาใช้ก็ <c oughs> เหมือนเรามั่เราก็ไปใช้ระบบของเขาที่บ้านเขา <c oughs> ของเขาระบบหาเงินหาทองของเราระบบหา หาความหลุดพ้นจากความทุกข์มันก็เลยไม่เหมือนกันเพราะเรายัางไม่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะเรายังอยากจะหาความสุขจากเงินจากทองกันอยู่ก็เลยไปเจอความทุกข์ขึ้นอีกเพราะเงินทองไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เราดุดกลับจะทำให้เราทุกข์กับเรื่องเงินทองขึ้นมาอีกเวลาเงินทองไม่พอใช้รู้สึกไงเครียดั <laughs> ้ย แ้วยิ่งมีเงินเท่าไรแทนที่จะพอใช้กับไม่พอเพราะยิ่งมีมากก็ยิ่งใช้มากใช่ไหมเ mm. พราะมันมีของให้เราซื้อได้อีกมากม า, ายก่ายกองเนี่ยตอนที่คุณมีเงินเพิ่มอีกสิบเท่าคุณก็ยังไม่พอใช้อยู่ใช่ไหม mm. คนก็จะมีเรื่องให้ซื้ออยู่มากขึ้นไปเรื่อ ย, ร, อยรถก็จะราคาแพงขึ้นไปเรื่อยบ้านก็จะราคาแพงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยชน์มันได้จากรถจากบ้านมันก็เหมือนกันไม่ใช่ ลดราคาถูกลดราคาแพงบ้านราคาถูกบ้านราคาแพงมันก็ทําประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่รถมันก็พาเราจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งบ้านก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนเป็นที่หลับนอนมันจะนอนบ้านหลังละล้านเริ่บ้านหลังก็สิบล้านก็บ้านเหมือนกันมันก็หลับนอนได้เหมือนกันแต่กีเดียก็แล้มันจะไม่ยอมเนียพอมีเงินเยอะเรามันต้องอยู่บ้านที่แพงขึ้นต้องใช้รถที่แพงขึ้นต้องกินอาหารที่แพงขึ้น มันก็เลไม่เคยพอใช้สักทีแล้วมันจะไม่มีวันพอฉั้นกลับมาศึกษาพุทธศาสนากันดีกว่ากลับมาหาความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาคําสอนพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติเดี๋ยวมีหนังสือแจกนะขอเชิญหยิบไปได้ถ้าต้องการหนังสืออะไรก็หยิบได้ ถ้ามีคําถามเรอยากจะถามก็ถามได้เพราะใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวประมาณสี่โมงก็จะเลิกปกติก็จะมีการถ่ายทอดสดตลอดทุกวันเนี่ยเนี่ยมีถ่ายทอดสดทาง youtube กับทาง facebook อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้คนที่ลาสเวกัสก็ยังติดตามยังมีาหลังอยู่คนหนึ่งอยู่ที่ลาสเวกัสก็ติดตามแล้วก็มีคําถามเขาก็พิมพ์ข้อความส่งเข้ามา แล้วเราก็ต่อไปได้สดสดร้อนๆเลยถ้าอยากจะติดตามเวลาอยู่ต่างประเทศก็เข้าไปใน a c e b o o k เนี่ยไปใช้หาคำว่าพระอาจารย์สุชาติแล้วก็เช็คขึ้นมาแล้วเวลาถ่ายท่อสดมันก็จะเตือนเราถ้าไม่มีเวลาดูสดเราก็ดูคลิปที่เขาเก็บไว้ก็ได้หรือเอาหนังสือนี่ไปอ่านก็ได้เอาซีดีไปฟังก็ได้ ต้องศึกษาถึงจะรู้ของวิเศษแท้ๆอยู่ในบ้านเราแท้ๆเรากลับไม่ไม่ไม่สนใจกันกลับไปหาหาเศษขยะกันเนี่ยที่เมืองนอกมีแต่เศษขยะทำไมเน่ไม่ได้ทำให้เราอิ่มใจสุขใจเหมือนกับธรรมะของพระเจ้านะถ้าไม่มีคำถามก็มีทางบ้านไหมเรือวันนี้หยุดไม่ไม่ต้องมีนะ ขอเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเขาไม่เยอะมากเลยครับถ้าไม่มีคำถามอะไรก็คิดว่าจะขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิดเพเจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่าน